อบบยภูมเราพูดมาแล้วนะมีอยู่สี่ประการอใบยภูมิอะไรมัง่ง ก, กดด่อสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่เป็นคนผ่านละโลกไปแล้วเนื่องจากความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติไปสวรรค์เขาไม่ไหวหรอกบาปมันทวงทวงไปไหนทวงไปสี่แห่งนี่อใบยภูมสี่แห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ของเขา แล้วพวกนี้แหละเวลาพ้นเวรจากอบายภูมิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็เป็นคนกระจอกคนง่อยคนไม่สมประกอบทั้งหลายแหละทีเดียวมาใช้นี่เวร น, นี่กรรมที่ตัวก่อไว้จนกว่าจะใช้นี่เวรหมดแล้วค่อยมาเป็นคนดีๆกับเขาแต่ทีนี้คนเราเนี่ยนะพอมันเซพอถลาลงไปแล้วเนะ่ โอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีมีสัมาทิฐิขึ้นอีกได้เนี่ยมันยากเหมือนอะไรเหมือนอย่างไอ้ที่ลุ่มเนี่ยนะไอ้ที่มันลุ่มสักหน่อยเนี่ยแปลกจริงๆเลยไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะไหลไปหามันเป็นไงมีขยะเขาก็ชอบเอาไปทิ้งเนี่ขอให้เป็นที่ลุ่มสักหน่อยเถอะมีขยะเขาเขาเอาไปทิ้งนี่คนสุนัขเอามัง่งมีขยะ ก็เลยเข้าไปทายอืมดูนะคนก็ไม่เว้นสัตว์ก็ไม่เว้นแล้วทั้งหนอนทั้งแมลงก็เข้าไปเกิดหนูก็เข้าไปที่นั่นแหละเปไ ป, ไปหากินที่นั่นแมงสาบก็ไปเพาะกันอยู่ที่นั่นแหละนาข้าวไอ้ไอแมวไอ้หมาก็มาครุกกันอยู่ก็อีกองนั้นแหละที่ลุ่มที่ลุ่มแล้วแล้วก็ จะมีไอ้ของไม่ดีสารพัดอย่างน่ะเข้ามันรวมมาเท ม, มาสะสมกันอยู่ตรงนั้นฉันใดแล้วก็คนที่หมดสง่าราศีแล้วเนี่ยเมื่อมีมีชีวิตอยู่ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็ไหลเข้ามาหามันอย่างนั้นละโลกไปแล้วไปตกนรกซะย่ําแย่พอกลับมาเกิดเป็นคนอีกไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็มักจะมาเกิดอยู่อีตรงนั้นแหละอืมพอเกิดขึ้นมาแล้วได้มาเป็นคนกับเขาละ เกิดมาเป็นคนพับก็ได้เกิดไอ้ที่ที่ไม่ดีที่ที่กันดานรเหลือเกินรูปร่างของมันละ่ะอุปธิหรือรูปร่างของมันก็วิบัติเกิดมาตาเลมั่งอืมจมูกแหว่งมั่งปากเบี้ยวมั่งหูฉีหูตันมั่งขาเป๋มั่งแขนคอกมั่งเฮอหาสมประกอบไม่ได้แหละนี่พอได้ไปผิดไปพลาดแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันซ้ํากันไปหมดเลย รัฐบาลกินรัฐบาลมาช่วยช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไปทามาหากินที่ไหนเอะฝนเ้าก็ตกต้องตามลูกดูการมาทุกปีทุกปีพอไอ้ น, นี่ไปอยู่ฝนแรงฉิบสบายนี่เป็นอย่างนี้ที่นี้นี่คือโทษของความเป็นพานที่เกิดกับตัวของเขาเองที่เห็นชัดๆเลยที่นี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่หกวิธีสังเกตคนพาน เรารู้แล้วว่าคนพาลเนี่ยมันคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเป็นปกติแล้วก็มันก่อโทษของมันแก่ตัวเองตั้งก้าวประการอย่างที่ว่ามานั่นแนหะเป็นอย่างน้อยไอ้โทษอย่างอื่นอีกเยอะแยะนั่นแนหะเราสาธยายไม่ไหวก็เลยมาต้องมาสังเกตคนพาลกันจะต้องสังเกตให้เป็นถ้าไม่เป็นเราไปใกล้ชิดเข้าเดี๋ยวจะไปติดนิสยัยไม่ดีจากเขาเข้ามาวินิจฉัยของเราก็จะเสียไป ท่นนี้วิธีที่จะสังเกตคนพาณเนี่ยจะเอาเอาจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์จะสังเกตคนพา น, นิชยจะเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์การจะถือกฎเกณฑ์ที่จะพิจารณาคนพาณหรือคนไม่พาณเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งห้ามเลยว่าอย่าเอาปัจจัยภายนอกนะคืออย่าเอาองค์ประกอบภายนอกมาสังเกตนะใช้ไม่ได้ต้องเอาปัจจัยภายใน องค์ประกอบภายในมาสังเกตจริงจะใช้ได้องค์ประกอบภายนอกที่ห้ามเลยไม่ให้เอามาเป็นมาตรฐานนะดูที่ที่ห้ามไม่เอามาเป็นมาตรฐานเลยคือหนึ่งเรื่องรูปร่างอย่าเอามาเป็นมาตรฐานนะอ๋อเพราะมันหลอ่อแล้วก็ยังไงมันไม่พาน่ะอย่าไปเชื่อมันไอหลอลอ่อสวยๆเกเรก็มีเยอะไปยมพบาลหน้ายิ้มมีเยอะไม่เอานะ เอารูปร่างเป็นเกณฑ์ยามีองค์ประกอบภายนอกใช้ไม่ได้หรือจะเอาเพศเป็นเกณฑ์ก็ใช้ไม่ได้จะเอาผู้หญิงแล้วก็เป็นพานผู้ชายแล้วก็เป็นพานก็ไม่ได้อีกนี่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือจะเอาอายุอ๋อถ้าเด็กแล้วก็ต้องเป็นพานถ้าแกแล้วไม่พานไอ้่าไปไว้ใจไอ้เจ้าแก่ๆเลี่ยมจัดก็มี เขาเรียกเท่าหัวงูก็เยอะไม่ได้ไม่เอานะเอาอายุก็ไม่ได้วงสกุลน่ะได้ไหมวงสกุลก็ไม่ได้แหมตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ตระกูลเจ้าพระยาเออไม่แน่หรอกคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นเจ้าพระยามียศถาบมีความประพฤติดีมันก็อยากจะเป็นพระยาเหมันกันแหละแต่ว่าเป็นพยาทางดีไม่ได้เลยเป็นพยาทางเสียพยาอะไร พยาเทครัวใช้ไม่ได้ีไมเนะ่เอาจะเอาเชื้อชาติมาวัดก็ไม่ได้เชื้อชาติมาวัดวัดไม่ได้โอถ้าเป็นคนไทยแล้วมันต้องดีอย่าไปเชื่อนะจะต้เป็นฝรั่งแล้วมันจะต้องดีหมดอย่าไปเชื่อนะฝรั่งเก๊ก็เยอะฝรั่งพานก็เยอะถ้าเป็นนิกโกรเลยต้องเลวนิกโกรดีๆก็มี เพราะฉะนั้นเชื้อชาติจะเอามาวัดก็ไม่ได้นะอะไรอีกละ่ะความสัมพันธ์กับเราเอามาวัดได้ไหมเขาเป็นพี่ป้านาะอาเราเป็นญาติเราความสัมพันธ์ก็เอามาวัดไม่ได้พี่น้องคลานตามกันมาบางทีบางคนก็มีดีบางคนก็มีเลวโบราณจริงว่าอย่างนี้ไม้ลำยังต่างปล้อง พี่น้องอย่างต่างใจเขาว่าอย่างนี้ไม้ลำเนี่ยไม้ไผ่อย่างเงี้ไยไม้ไผ่ไม่ร่วงมันก็มีเป็นปล้องปล้องแต่ละปล้องก็รูปร่างไม่เหมือนกันล็อกไม้ลำย่างต่างปล้องพี่น้องอย่างต่างใจเพราะฉะนั้นเอาความสัมพันธ์กับเราเป็นกฎเกณฑ์ในการในการแยกว่าใครเป็นพานใครเป็นคนดีแยกไม่ได้อย่าเอานี่ยังเป็นปัจจัยภายนอกเอยู่ความรู้ล่ะ ความรู้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมีปริญญาแล้วมันจะไม่เป็นพานอย่าพูดมีปริญญาไปอัดกันอยู่ในคุกบางขวางตั้งเยอะไม่ได้จะเอาอะไรอีกละ่ะเอาอาชีพอ๋อถ้ามีอาชีพเป็นครูนี่ยต้องเป็นบัณฑิตหมดนะอาชีพเป็นหมอนี่ต้องบัณฑิตหมดนะไม่แน่ครูก็มีไปติดตารางอยู่เยอะเหมือนกันหมอไปติดตารางก็มีเยอะเหมือนกัน ไม่แน่อ๋อเรื่องอาชีพกรรมกรมันจะต้องเลวหมดไม่ใช่กรรมกรบางคนความประพฤติดีเลิศเกินน่ารักก็มีอีกแหละเพราะฉะนั้นอาชีพจะเอามาวัดความเป็น่านของคนวัดไม่ได้อีกนะ้วเอาอาชีพวัดไม่ได้งั้นเอาทรัพสิมีเงินเยอะมันคงจะเป็นคนดีมั้งก็ไม่แน่เศรษฐีใจร้ายก็มีอยู่เศรษฐีใจดีก็มีอยู่ คนยากจนใจดีก็มีอยู่คนยากจนใจร้ายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพหรือฐานทรัพย์เอามาวัดไม่ได้อีกแล้วอา้ายศตำแหน่งล่ะนะตำแหน่งหน้าที่ในการงานแม้คนนี้เป็นอธิบดีคงไม่แล้วคงไม่เป็นพานนะัไม่แน่อย่าว่าแต่อธิบดีนะรัฐมนตรีไปติดตารางจนกระทั่งตายก็ยังมีเลย เพราะฉะนั้นไม่แน่เอาเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาตำแหน่งหน้าที่มาวัดความเป็นพานของคนก็วัดไม่ได้ก็เลยต้องมาดูว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาเป็นเครื่องสังเกตพระพุทธเจ้าก็บอกไปเลยเอาความประพฤติสิเอาความประพฤติท า, า ท, ทางกายวาจาใจของเขานี่แหละมาสังเกต เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เนื่องมาจากภายในทั้งนั้นขึ้นเนื่องมาจากใจส่วนที่แล้วมาทั้งหมดนั้นมันไม่ค่อยเนื่องมาจากใจหรือท่าเนื่องจากใจอย่างความรู้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นความเนื่องอย่างผิวเผินอย่างใช้ไม่ได้แต่วันนี่เอาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจนี่สิ่งเหล่านี้สิมันเป็นสิ่งที่เนื่องจากใจโดยตรงแล้วเอาสิ่งเหล่าเนี้ยเอามาเป็นเครื่องวัดกันก็เลยต้องมาถึง สิ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเอเราก็รู้มาแล้วนี่นะว่าคนพาลเนี่ยชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ดูความชั่วทั้งสามประการของเขาเหล่านี้ก็จะดูออกเองล่ละว่าเขาเป็นคนพาลดูอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนพาลเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่พาลจริงๆเนี่ยนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาดนะ บางคนฉลาดเป็นกรดเลยฉลาดจริงๆแต่ว่ามันไม่เฉลียวคือไม่มีสติที่จะไปคุมเอาความรู้เอาเอาความฉลาดของมันไปใช้ในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นมันเอาความฉลาดมันเอาความฉลาดของมันเนี่ยเออมันมาใช้ในทางที่ผิดเนจ้ทีนี้เมื่อมันมีความฉลาดอยู่ดีๆเนี่ยจะไปดูความคิดของมันเนี่ยเราดูไม่ออกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในใจมันเรามองไม่เห็นเราได้แต่ดูสิ่งที่มันแสดงออกมาคือคําพูด แต่ปรากฏว่ามันฉลาดแม้เวลามันพูดมันก็ยังปากปราัยใจเชื่อคอเลยดูยากการกระทำของมันความที่มันฉลาดมันจะฆ่าใครสักคนมันก็ซ่อนเงื่อนมันจะโกงใครสักคนหนึ่งมันก็ซ่อนเงื่อนแม้มันจะเจ้าชู้มันก็มีชั้นมีเชิงมีเล่มมีเหลี่ยมมันก็ซ่อนเงื่อนแล้วเราจะดูยังไงเอาเธอถึงมันจะซ่อนเงื่อนยังไงก็ตาม โบราณก็เคยเตือนไว้แล้วว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันนะคือห้ามไฟเนี่ยจุดขึ้นมาแล้วยังไงมันก็ต้องมีควันไอจะห้ามไฟห้ามไฟไม่ให้มีควันี่อย่างหนึง่งห้ามพระจันทร์คือเดือนหงายไม่ให้สองโลกอย่างหนึง่งห้ามอายุห้ามอายุไม่ให้มันเลยไปให้มันถอยกลับนี่อย่างหนึง่งสิ่งเหล่านี้เราห้ามไม่ได้ฉันใด แม้ความชั่วของคนเราเนี่ยเมื่อมันเอาไปเอาไปคิดเอาไปพูดเอาไปทาแล้วมันก็มีช่องโหว่ให้เราจับได้ฉันนั้นเหมือนกันแหละเราจะจับยังไงเรามาดูสังเกตความประพฤติของคนผ่านต่อไปนี้ว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันที่จะเป็นสั ญ, ญลักษณ์บอกความเป็นผานของเขาคือมันมีสั ญ, ญลักษณ์หรือมีอาการออกมาทิงนิดเดียวข้างนอกข้างนอกนิดเดียวเนี่ย แต่ว่ามันจะบ่งถึงความเน่าในความเสียหายเยอะแยะในตัวของเขามีอะไรบงอันที่หนึ่งความประพฤติของคนผ่านอันที่หนึ่งชอบชักนำไปในทางที่ผิดผิดจะดูคนผ่านแล้วก็ดูที่การชักนำนะอันที่หนึ่งดูที่การชักนำพวกนี้เนี่ยจะชักจะนำใครไปล้วก็ไม่มีทางดี มีจะในทางที่ผิดผิดยกตัวอย่างแม้วันนี้ว่างดีมา พ, พวกชวนเลยพวกพวกแม้วันนี้ว่างดีเล่นไพ่กันเถอะไอ้คนไหนชวนเล่นไพ่รู้ไว้แหละเมี่ยผานผานแต่จะพ่านมากพ่านน้อยก็ค่อยต่อตามดูต่อไปอีกแม้วันนี้แดดล่มลมตกไม่รู้ทําอะไรกินเหล้ากันเถอะนี่ผานนะแหมน้องเอ้ยพี่นี่รักจริงๆรักสุดหัวใจเลย เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยไม่ต้องบอกพ่อหรอกไปกับพี่เถอะชวนลูกสาวเขาหนีไปซะแล้วดูคนพาณฑูต ด, ดูที่การชักนําชักนําไปในทางที่ผิดผิดชักนําคือการเอ่ยปากชวนแล้วก็ทําให้ดูด้วยนี่ชักนําถ้าชักชวนละ่ะก็แค่แต่อ่อยปากแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือจะเป็นชักชวนจะเป็นชักนําใช้ไม่ได้ทางนั้นแหละนะชักนําในทางที่ผิด แมเรียนหนังสืออยู่ได้กันดีๆวันนี้มันง่วงเหงาหาวนอนไงเนาไปดูหนังกันเถอะไอ้นี่คนผ่านชักนำไปในทางที่ผิดผิดแหมวันนี้ฝนมันตกครึนฟ้าคลึ่นฝนอย่างนี้ไปทำงานจะได้อะไรวันนี้นอนดีกว่าชวนพวกเชียนี่ชักนำในทางที่ผิดรู้เลยคนชักคนนำคนนี้คนผ่านนี่พฤติกรของเขาดูที่การชักนำ อันที่สองชอบทําในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวตัวเองเป็นแม่บ้านยกตัวอย่างตัวเองเป็นแม่บ้านหน้าที่ต้องเก็บกวาดดูแลบ้านไม่ทําอ่ะทิ้งบ้านรกเป็นรังไก่รังกาแต่ว่าไปนั่งนินทาชาวบ้านที่บ้านอื่นเขาอืมา ด, ดูนี่เป็นอย่างนี้หน้าที่ของตัวเองจะต้องเรียนไม่เทียนแหมรัฐบาล น, นี้ไม่ดีไปเดินขบวนไล่กันเถอะ เออเป็นนะครับแม้อาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ดีให้คะแนนหินจะตายไปให้คะแนนหินแสดงว่าใจก็หินด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาเดินละขบวนไล่อาจารย์ออกกันเถอะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรียนไม่ใช่หน้าที่มาเดินขบวนไล่ใครพวกที่ชอบกระทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวเนี่ยจัดเป็นคนพาเท่านั้นแหละ วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรงานมันว่างทำงางดีล่ะเขียนบัตรสนเทศแจ้งความผิดของคนอื่นให้เจ้านายของเขาฟังทั้งๆ ท, ที่บังทีมันอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้ปั่นน้ำเป็นตัวปั่นงวเป็นควายว่ากันเรื่อยไปนี่ทำในสิ่งชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวจัดเป็นคนผ่านนั่นที่สามชอบแต่สิ่งที่ผิดผิด อะไรถูกไม่เคยชอบอ่ะถ้าอะไรผิดแล้วชอบมาชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันชอบตีไก่ชอบกัดปลาชอบอาอยุให้รำตำให้รัวแต่ละอย่างที่พ่อชอบนี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงและมีแต่คนต้องได้รับความเดือดร้อนทางนั้นแม้ที่สุดมาบวชเป็นพระ ไม่รู้จะทำอะไรทำสงให้มันแตกแยกกันไปซะอย่างนั้นแหละอ่านี่มีอย่างนี้มันชอบของมันน่ะไม่รู้จะว่ายังไงชอบของมันนี้เหมือนอะไรเหมือนอย่างกันหนอนนะมันมีนิทานในโบราณบอกว่าหนอนกับเทวดาเรื่องหนอนกับเทวดาแต่เดิมมีเพื่อนมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชอบทำบุญทำทาน ไอ้เพื่อนอีคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้คบกันไปได้ยังไงชอบผิดๆอย่างเงี้ยไอ้อะไรที่ผิดเนีชอบตีกายกัดปล้าชอบกินเหล้าเมายานี่ชอบอะไรที่ขึ้นชื่อว่าผิดนะชอบมันทางนั้นแม่จะทําทการค้าการขายขายอะไรดีเออขายแต่ไอ้ของเถื่อนของของโมยนี่แหละอืมไปเป็นครูบาอาจารย์สอนเขาแล้วแมไอสอนวิชาทั่วๆไปมากกว่าธรรมดามันไม่อัศจรรย์ มันต้องสอนวิชาตัดช่องย่องเบาถึงถึงจะอัศจรรย์เออมันชอบอย่างนี้ไอ้ที่ผิดผิดไอ้สองคนนี่เป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชอบทําความดีไอ้คนหนึ่งชอบทาําไอนน้อ ท, ไอที่ชั่วชั่วชอบไอ้ที่ผิดผิดทั้งคู่ผตายไปแล้วไอท้ทาดีเนี่ยไปเป็นไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นส่วนไอท้ทาชั่วนั่นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุวมเจ้าเพื่อนที่เป็นเทวดาเนี่ยพอเป็นเทวดาอยู่ได้พักหนึง่ง สบายอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงเพื่อนเออเพื่อนเรามันไปอยู่ไหนนาะมองตรวจไปทุกเทวดาทุกชั้นสวรรค์ทุกชั้นเอ๊ะไม่เจอเพื่อนนั่นคงอยู่บนพื้นมือเป็นมนุษย์เออมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วมั้งดูทั่วพื้นมนุษย์ก็ไม่มีดูไปดูมาอ้าวเพื่อนเรามาเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ้วมนี่เองก็คิดจะสงเคราะห์เพื่อนทั้งทั้งที่เป็นเทวดาล่ะทนเหาะมะ มาเยี่ยมเพื่อนที่ปากหลุมซ่วมเหม็นก็เหม็นละทนเอาละวันนี้สงสารเพื่อนจะสงเ <สง S 1> คราะห์มันมาถึงด้วยอํานาจเทวดาก็ทําให้กายตัวเองกลับมาเหมือนอย่างคนตาเหมือนอย่างกระมืเมื่อมีชีวิตคือกลับเป็นคนตามเดิมไอเจ้าหนอนเห็นข้าวจาได้ก็ถามไอเจ้าหนอนเพื <rem> ่อนแล้วไอจำเราได้นหะมได้ก็เราเคยเป็นเพื่อนกันนี่นะเจ้าหนอนตอบเเออไอเจ้าหนอนเลย ตอนนี้น่ะข้าไปเป็นเทวดานะที่มาวันนี้ตั้งใจจะชวนชวนเองไปเป็นเทวดาด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะไปเป็นเทวดาได้เนี่ยต้องเริ่มถือศีลตั้งแต่วันนี้จะต้องเริ่มคิดไอ้ที่ดีๆตั้งแต่วันนี้พูดดีๆทาดีๆก็ตั้งแต่วันนี้เชียวแล้วอีกหน่อยจะได้เป็นเทวดาด้วยกันไอ้เจ้าหนอนถามเชีเป็นเทวดาดียังไงดีสิ อยากจะได้อะไรเนี่ยพอกระดิกจิตนึกนิดเดียวล่ะพอ น, นึกปุ๊บอยากจะได้อาหารอาหารทิพก็เกิดอยากจะได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เกิดเป็นทิพสวยใส่ก็นุ่มนวลคิดอยากอยากจะได้วิมานก็คิดถึงวิมานวิมานก็เกิดขอให้เพียงตั้งใจคิดปับ๊บแล้วก็ของดีๆเกิดทางนั้นเลยจะนอนว่าไงเฮย้ยเงินไม่ไปเป็นหรักเทวดาเป็นหนอนอยู่เนี่ยดีแล้วเอ๊ะเทวดาก็ถามดียังไง หนอนก็เลยตอบชัดถ้อยชัดคำดีอย่างนี้คือถ้าไปเป็นเทวดาอย่างที่เพื่อนว่านะจะเอาอะไรต้องคิดไอ้ฉันเป็นหนอ น, นไม่ต้องคิดเลยนะอยู่ดีๆอุจจาระก็ไหลเข้าปากเองเออเพราะฉะนั้นขอเป็นหนอนอยู่นี่เราไม่ไปไหนแล้วมันชอบผิดๆมันชอบพ้องมันอย่างนี้ไม่รู้จะไปว่าอย่างไงเขาว่าปล่อยให้เป็นหนอนอยู่นั่นแหละนะก็มาอันที่สี่ ความประพฤติของคนผ่านอันที่สี่แม้พูดดีๆก็โกรธเหมือนใครก็เหมือนพวกเราหลายๆคนนี่แลหละคุณแม่เตือนช่ไลูกเอ้ยเตือนลูกสาวลูกเอ้ยเป็นสาวเป็นนางจะออกจากบ้านแต่งตัวให้มันเรียบร้อยสิไอแต่งตัวเป็นโกโกขี่กี่งั้นแม่ไม่ชอบเลยเจีเดวกเขาจะนินทามแม่โบราณต้องโกโขงี้ขี่กี่งี้ถึงจะทันสมยัย แม่พูดดีๆก็โกรธหันไปตวาดแม่เชีไอ้จะลูกชายพอกันพ่อก็บอกลูกเอ้ยใกล้จะสอบแล้วดูหนังสือเถอะอย่าไปเที่ยวเลยพ่อเมื่อก่อนพ่อนุ่มๆพ่อก็ชอบเที่ยวงี้แหละทีผมลรามาห้ามเฮ่อแม้พูดดีๆก็โกรธนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็พวกเราเองนี่แหละไม่ต้องคนอื่นแล้วเวลาพูดกับน้องทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดนี่แหละบางที รู้ว่าตัวเองผิดแต่ว่าไม่รับนะเดี๋ยวมันเสียเหลี่ยมเดี๋ยวน้องมันจะได้ใจ <c oughs> ทํา ป, ป, ปึงๆปังๆซะอย่างนั้นทาโกรธไปอย่งนั้นแหละน้องมันจะได้กลัวเราก็ได้เป็นผู้ชนะเนี่แม้พูดดีๆก็โกรธมันเป็นสะไอพันนี้ผ่านทางนั้นเลยนะโบราณท่านจึงบอกว่าคนพ่านเนี่ยถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างกับคนเป็นแผลทั้งตัว คือคนเป็นแผลทำตัวเนี่ยนะเดินไปถูกอะไรสักนิดนึงไม่ต้องมากไปถูกสาลีถูกสาลียังเจ็บเลยแผลเนี่ยถูกสาลีมันยังเจ็บคนพานเหมือนกันใจมันเป็นแผลแม้คาพูดดีๆแล้วก็มันก็ยังสแสลงมันยังเจ็บอย่าว่าแต่พูดเลยแค่มองหน้านันเท่านั้นแหละมองทำไมหาเรื่องเตะหาเรื่องต่อยหาเรื่องตีมองยังมองไม่ได้ บอกว่าตาขวางเป็นบ็อกเซอร์ใช่อ่านี่เป็นอย่างนี้ที่นี้คนพาลแม้ผู้ดีๆก็โกรธอันที่ห้าความประพฤติของคนพาลคือไม่ยอมรับรู้วินยัยไม่ยอมรับรู้วินยัยกฎหมายบ้านเมืองมีเท่าไหร่ไม่รับรู้มันทางนั้นน่ะนึกจะข้ามถนนบ้างไรไม่ต้องรู้ล่ะทางม้าลายทางม้าด่างไม่ต้องดู จะข้ามซะอย่างหนึ่งไปเลยฮไม่ยอมรับรู้วินยัยไม่ยอมพราะไม่ยอมรับรู้วินัยอย่างนี้ไปเจอใครไม่ยอมรับรู้วินยัยให้ตั้งสมมุติฐานไว้ได้ละไอเจ้านี่ล่ะเป็นผานแล้วเก้าสิบเก้าเอร์นเลยอีกเปอร์เซ็นต์เดียเราคอยดูตามพิสูจน์เท่านั้นแหละเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นตานแล้วนี่เป็นอย่างนี้จะดูความเป็นผ่านของคนเราแล้วก็ดูที่ความประพฤติ ประพฤติอย่างนี้ทีนี้ทำไมพวกนี้จึงไม่ประพฤติโงครื่นเยอะหนักข้าคนโน่นข้ า, านี้ออกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้มันบีบมันบังคับเอาไว้ทำให้คนพานเนี่ยมันแสดงความเป็นพานได้ไม่เต็มที่เราจรึงต้องอาศัยสังเกตจากความประพฤติถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มีศีลไม่มีธรร ม, มวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ป่านนี้คนพาลมันแสดงริษพันพาลให้มันเต็มที่แล้วแต่ที่มันแสดงไม่ได้ต้องกระมิดกระเมี้ยนต้องซ่อนซ่อนเร้นเร้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ไปบังคับมันเอาไว้เราก็เลยต้องคอยสังเกตคอยดูจากพฤติการของเขาก็มาถึงหัวข้อที่เจดประเภทของคนพาล คนพาน ม, มีหลายประเภทด้วยรับแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกเขาเรียกว่าพานภายนอกประเภทที่สองเรียกว่าพานภายในที่เรียกว่าพานภายนอกเนี่ยได้แก่คนพานทั้งหลายได้แก่คนพานทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะตามแต่ความเป็นพานที่เขาแสดงออกมา ทีนี่พวกผานภายนอกเนี่ยทั้งศาสนายังแบ่งออกไปอีกว่าอันอันแรกเป็นอันธพานนะผานภายนอกยังแบ่งเป็นอันธพานอันทะแรือว่ามืดบอดนะอันธพานคือทั้งอ่อนความคิดอ่อนปัญญาแล้วจะาทั้งทั้งมืดทั้งบอดมืดมนโอนทาการไปหมดเลยเชี่วพวกนี้คือพวกที่พานเป็นอาชีพเลย เป็นพวกผานถาวรว่าอย่างนั้ น, นอันาพานหรือผานถาวรคือผานมาทั้งวันทั้งคืนได้แก่คบ้ายงอ้าวยกตัวอย่างนะเช่นไอโจนทั้งหลายเจ้าขามโมยเจ้าตีนแมวทั้งหลายเจ้านักเลงทั้งหลายอ่านี่ฝ่ายชายอ้าวโสเพณีทั้งหลายพาร์ทเนอร์ทั้งหลายเออนี่ฝ่ายหญิงที่เป็นอย่างนี้จัดเป็นผานทางนั้นเลย นี่อันธพานผานหมดละนักการพา น, นันทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายอันธพานหมอา้าวอีกพวกหนึ่งเป็นพวกพานชั่วคราวเขาเรียกว่ากัลายาณพานกันลายาณพานเป็นไงล่ะเอบทมันอารมณ์ดีเอามันก็มันก็ดีหรอกบทมันจะเป็นพานทำไมเป็นพานเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละ เหมือนใครได้แก่ตัวของเราเองวันตอนไหนคิดดีพูดดีทำดกีก็เป็นก็เป็นกัลยาณชนอีตอนไหนเกิดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วขึ้นมาวอบหนึ่งแวบหนึ่งอันนั้นก็เป็นกันลยาณะานพูดง่ายๆานพอ ง, งามนะอย่าให้พาณหนักนักเดี๋ยวอย่าจับใส่คุกใส่ตารางเสียแต่ว่า ไม่ว่าพานพองา้างพานพอไม่งาม้างหละเลิกเลิกได้ดีที่สุดทีนี้ส่วนพานภายในพานภายในใครพานภายในหมายถึงหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราพานภายในหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราเองความคิดวิปริตต่างๆของเราเองซึ่งจะต้องแก้ไขกัน ก็มาถึงอันที่8ปดพฤติการที่เรียกว่าครบที่ว่าครบคนพานครบคนพานนะครบยังไงยังไงเรียกว่าครบคาว่าครบนี่มีขอบเขตกว้างไกลแค่ไหนที่เรียกว่าครบคนพาลรือพฤติการที่เรียกว่าครบคนพานเนี่ยที่เรียกว่าครบกันเนี่ยคือพฤติการเจ็ดประการต่อไปนี้คพืออันที่หนึ่งการที่เราไปมาหาสู่กับคนพาน นี่ก็เรียกว่าจับมาครบคนพานลัลนแหละแต่ว่าเป็นการครบเบื้องต้นนะคบแบบดีกรีอ่อนๆเริ่มไปมาหาสู่กันแล้วยังไม่ได้มีความชอบใจอะไรกันหนักหนา น, นต่ว่าไปไปมามาไอ้นั่นมันก็ไปแล้วนี่นะหรือถึงมันเลวมันก็เป็นแลวมันก็แลว้กลวก็คนอื่นแบบไปไปมามาชักถึงกันแล้วแหละฮนี่ไปมาหาสู่กันพอคบที่ดีกรีแก่ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งทำไงล่ะ ตีสนิททีแรกใขรไปมาหาสู่เขามาบ้านเราเรามาบ้านเขาแต่ว่าก็ยังระวังระวังตัวอยู่ยังไม่ถึงกับตีสนิทกันละระวังระวังตัวอยู่เขามาก็มาเราก็ระวังอย่าให้เขามากำเกินกับเราถึงคราวเราไปบ้านเขาเราก็ไม่ได้กำเกินอะไรกับเขานี่ไปมาหาสู่กันพอขั้นที่สองตีสนิทสักสนิทกันละ หยิบหยิบยืมยืมไวพอได้หมัองละสักสนิทกันเอาที่อย่างนั้นอย่างนี้ชักคุยกันถูกขอชักสนิทแมพี่พี่ชอบโป๊กเกอร์เหรอคล้ายๆผมแหละผมโป๊กเกอร์ก็พอได้แหะแต่ที่ถนัดแล้วก็เผินนะคล้ายๆกันแหละ